ยรางพท่านผู้มีเจตเมตตาคกรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาที่22ตุลาคม2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุข ที่แท้จริงความสุขที่เลิศที่ประเสริฐด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือความสุขอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ เช่นความสุขที่ได้รับจากการได้เงินได้ทองมาจากการได้ใช้เงินใช้ทองจากการได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอจากการได้รับตาแหน่งต่างๆและจากการได้เสกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพชนิดต่างๆที่ทําให้พวกเรามีความสุข ชัว่วขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็จะหายไปแล้วก็สร้างความอยากขึ้นมาใหม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่ความสุขที่เราได้รับจากการทาบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีความหิว ความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่กลับจะทำให้มีความหิวความอยากความต้องการความทุกข์เบาบางลงไปจะทำให้มีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมากขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นความพอใจเต็มที่คือไม่มีความอยากได้อะไรเลยเพราะมีความสุขภายในใจ อย่างอย่างล้นหลามเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขใดๆในโลกนี้จะเปรียบเทียบได้ผู้ที่ได้พบกับความสุขทามจิตใจจากการจากการทำบุญนักษาศีลปฏิบัติธรรมและฟังธรรมก็จะไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะจะเห็นแล้วว่า เป็นความสุขแบบยาวขมเคลือบน้นตำตาลเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเป็นความสุขชั่วคราวเดียเด๋ยวๆแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาทุกข์ที่เกิดจากการต้องดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาทุกข์ที่เกิดจากความหวงความห่วงความวิตกกังวลและความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสีย พลาดพลาดจากกันไปในที่สุดนี่คือความสุขทางทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกริมกายเพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่เทียแท้แน่นอนและเป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ไม่สามารถบังคับให้อยู่กับเรา ไปได้ตลอดเราจึงต้องวิ่งตะคุบเงาอยู่ทุกวันนี้ไปเที่ยววันนี้แล้ว <c oughs> ก็มีความสุขพอพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอกีกได้อะไรมาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามาหวงมาห่วงและมาเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียไปนี่คือความสุขสองชนิดความสุขทางโลก กับความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้มีแต่จะสร้างความอิ่งความพอให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความสุขให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆและเราสามารถควบคุมบังคับความสุขนี้ให้อยู่กับเราได้ไปได้ตลอดด้วยการทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศคําธรรม ไปเรื่อยๆแล้วความสุขที่เลิศที่วิเศษนี้ก็จะมีอยู่ภายในใจของเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็ตามเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราจะไม่สามารถมาลบล้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ความสุขทรรมธรรมนี่ได้เลยแต่ความสุขทรงโลกตอนนี้แทบจะหายไปหมดเลยเพราะเวลาที่มีน้ำมาท่วมนี้ก็เท่ากับมาทำลายความสุขต่างๆทรงโลกทางร่างกายของเราอาหารการกินก็ปวดยากขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็ไม่มีที่อยู่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีเพียงแต่เฉพาะ ติดตัวติดกระเป๋าไปจะตอนนี้จะรู้สึกทุกข์ทรมานถ้าไม่มีความสุขทางทางธรรมที่ได้สะสมจากการปฏิบัติธรรมจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลเลยแต่สำหรับผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ต่างๆ จะมีที่พึ่งทางใจใจจะมีความสนุกถึงแม้ว่าร่างกายจะเดือดร้อนแต่ใจจะไม่เดือดร้อนและความเดือดร้อนของร่างกายนั้นก็ไม่มากเท่ากับความสุขทางจิตใจความเดือดร้อนของร่างกา ย, ยานี้เหมือนกับน้ํำในตุ่นแต่ความสุขของใจนี่เหมือนน้ําในมหาสนุกสามารถกดความ ทุกทางร่างกายได้อย่างหมดเลยยังไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีมีธรรมะมีความสุขทางธรรมะอยู่ในใจนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาให้มากๆเพราะว่ามีสิ่งเดียวนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ ในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากลําบากลำเลียงทางร่างกายในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาที่เราตายไปความสุขทางใจนี้จะประคับประคองให้ใจของเรานั้นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่ทรมานดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตัดสั้นความจริงนี้ด้วยพระองค์เอง พระองค์ก่อนที่จะตัดสู้พระองค์ก็เป็นเหมือนพวกเราทรงสแสวงหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่แหลมค ง, งทรงสามารถเห็นถึงความทุกขที่ซ่อนอยู่ในความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพักได้ พระองค์จึงไม่ทรงหลงหมัวเมาเหมือนอย่างพวกเราที่หลงติดยึดกับความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดจนถอนตัวไม่ขึ้นจะทุกข์ขนาดไหนก็ยังไม่กล้าที่จะถอนตัวออกจากความสุขหลังนี้เพราะกลัวว่าจะทุกข์มากกว่านี้แต่ความจริงแล้ว มันทุกข์ก็จะทุกข์เพิยงเดียวเดียวเหมือนเวลาที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อรักษาร่างกายของเราเวลาผ่าตัดก็ต้องมีการเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่หลังจากที่แผลหายแล้วก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไป แต่ถ้าเราไม่ยอมพา่าเราก็จะต้องทุกข์ทรมารกับโรคภัยไข้เจ็บและอาจจะทำให้เราตายได้ดังนั้นคนจรลาจึงยอมยอมเจ็บตัวแต่เป็นความเจ็บระยะสั้นเพื่อความสุขระยะยาวที่จะตามมาการถอนตัวเราออกจากความสุขทางราบยศสารเสริญ ทางตาหูจมูกรื่นกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่เราถอนออกมาจะรู้สึกทรมานใจเช่นเวลาเราต้องเสียสละทรัพย์สินเข้าวของเงินทองเพื่อทําบุญให้ทานนี้เราจะรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับความหวงกับความตนีมากแต่ถ้าเรามีกําลังมากกว่า มีศรัทธามีความเชื่อมากกว่าเราก็จะสามารถสลาทรัพย์ของเราไปทำบุญให้ทานได้แล้วถ้าเราได้ทำมากขึ้นไปแ ล, และเห็นผลถ้าเราทำแล้วเห็นผลว่าเรามีความสุขใจอิ่มเอิบใจสบายใจมากกว่าเอาเงินที่ทำบุญนี้ไปดูหนังฟังเพลงความรู้สึกนี้จะมีความต่างกัน ไปดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขเดียวๆพอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็จะมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าวเวมีความอยากจะออกไปดูหนังฟังเพลงอีกแต่ถ้าเราได้ทำบุญแล้วกลับไปบ้านเราจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจพอใจไม่ได้คิดอยากที่จะออกไปข้างนอกไปเที่ยวเพราะว่าการทำบุญให้ทานนี้ ทำให้จิตใจของเราเอื่มเอและทำให้เร า, เาตัดความอยากที่จะไปหาความสุขชนิดอื่นได้ตัดความอยากที่อยากจะมีเงินมากขึ้นไปได้เราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขนี่คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานเวลาทาใหม่ๆมันจะรู้สึกยากเพราะต้องต่อสู้ กับกิเลสความอยากแต่พอเราชนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นเราก็จะมีกําลังใจที่จะทำบุญให้ฐานมากขึ้นมีกําลังใจที่จะถอนออกจากความสุขจากการหาเงินหาทองจากการได้ตำแหน่งต่างๆจากการได้รับการสลเสริเยินยอและจากความสุข ที่ไดจากการเสพสมัมผัสกับรูปสิ่งเก็บลดผลทพะชนิดต่างๆใจของเราก็จะอยากที่จะมีความสุขแบบนี้มากขึ้นก็จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาสิ่งเพราะการให้ทานการสงเคราะห์ผู้อื่นจะทำให้จิตใจของเรามีความเมตตาจะไม่ชอบทำบา จะไม่ทอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้การรักษาศีนี้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่มีความโลภที่อยากจะได้อะไรด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามีความจำเป็นจะหาอะไรมาเช่นหาปัจจัยสีมาก็จะหามาด้วยความสุจริตจะไม่ทำบาปทำกรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่จำเป็น เช่นบางคนต้องไปยิงนกตกปลาเพื่อที่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆจิตใจจะมีความเมตตาจะไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากทำบาป ก, ก็จะไม่ไปยิงนกตกปลาเพื่อให้ได้อาหารมารับประทานหาอาหารอย่างอื่นก็ได้หรือไปทำงานแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้ไปซื้ออาหาร ที่เขาขายในตลาดมารับประทานถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าและเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเราไปซื้อของที่มีขายในตลาดเท่านั้นเองถ้าไม่มีขายเราก็ไม่ซื้อไม่เป็นไม่เป็นบาปแต่อย่างไรเวลาที่เราจะซื้อของเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้ว มาบริโภคมารับประทานเมื่อเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นจะไม่มีความว้าวุ่นขุ่นงวลวิตกกังวลกับการกระทำบาปเพราะเราไม่ได้ทําบาปถ้าเราทําบาปเราจะวิตกกังวลกับวิบาก ค, คือผลของบาปที่เราทําทั้งในปัจจุบันและนอานาคตเพราะไม่มีใครอยากจะถูกจับไปลงโทษ ไม่มีใครอยากจะถูกประนามว่าเป็นคนไม่ดีเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปประพฤติผิดปรเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นถ้าถูกจับได้ก็จะถูกสังคมประนามถ้าตำรวจจับได้ถ้าผิดกฎหมายก็จะเข้าคุกเข้าตารางถ้าไปผิดปรเวณีถ้าสามีรู้เข้า ก็อาจจะฆ่าเราได้ด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเหล่านี้ใจของเราก็จะนิ่งสงบจะมีความสุขมากขึ้นกว่าการที่เราได้ทำบุญให้ทานความสุขของการทำบุญให้ทานนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับแบงคแบงยี่สิบแบ้คงห้าบ แต่ความสุขที่ได้จากการรักษาสินี้ก็จะเป็นเหมือนแบงรอยหาแบ่งรอยมาดีกว่า mm. หาแบงยี่สิบหเพราะจะต้องหาหลาย mm. หลายใบยด้วยกวันก mm. ว่าจะได้เท่ากับหาความสุขจากการรักษาสิน mm. แล้วพอเรารักษาสินได้แล้วเราก็อยากจะมีความสุขให้เพิ่มมากกว่านี้อีก เราก็ต้องนั่งสมาธิต้องปฏิบัติธรรมเพราะการนั่งสมาธินี้เป็นเหมือนพระเป็นเหมือนแบงห้าร้อเวลานั่งทีหนึ่งจิตใจสงบนี้มีความสุขมากกว่าการรักษาศีลหลายเท่ามีความสุขมากกว่าการทำบุญให้ทานหลายเท่าในกัรแล้วถ้าเรามีความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็อยากจะให้มันสงบไปตลอดเวลา แต่เนื่องจากว่าเราต้องออกจากสมาธิไม่สามารถนั่งอยู่ในสมาธิได้ทั้งวันเพราะเราต้องออกมาทำงานทำการหรือออกมาเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปงานานๆทั้งวันเดี๋ยวร่างกายก็จะเมื่อยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องออกมาเดินจนกงกรมแทนหรือถ้าต้องไปทำงานทำการก็ต้องไปทำ ถ้าเรายังอยากจะให้มีความสุขที่เกิดจากความสนบนี้อยู่กับเราต่อไปเราก็ต้องเจริญปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นตัวคอยรักษาความสนกเพราะเวลาใจเราออกจากสมาธิแล้วพอเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้คิดอะไรก็จะเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมา ก็จะไปทำลายความสงบเพราะความสงบนี้เป็นความไม่โลภไม่โกรธไม่อยากได้อะไรนั่นเองเป็นผลที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่อยากได้อะไรแต่พอออกมาแล้วพอเกิดความโลภเกิดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่สงบถ้าเราอยากจะให้สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ว่าเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นความทุกข์ที่เคลือบความสุขพอความสุขที่ได้มาจากการได้สิ่งที่ต้องการไปไม่นานมันก็จะหายไปทีนี้ก็จะเหลือแต่ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการต้องคอยดูแลรักษา คอยหวงคอยหวกและความทุกข์ที่เกิดจากความเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะนี่เป็นกฎธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ มีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดามีมาย่อมมีไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆย้งนนเวลาถ้าสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็จะเสียใจเช่นสามีเคยรักเราหรือภรรยาเคยรักเรา แล้วเขาก็เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นเขาไม่รักเราเมื่อก่อนนี้เ ร, เ, เ, รจจเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเราก็จะมีเครื่องมือไว้หยุดได้ดับได้เจ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความเสือ่อมความพัดพลาดจากกันปัญญาที่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนี้เที่ยงให้สิ่งที่ไม่เสือนน่อมนี้ให้สิ่งที่เสื่อม น, นี้ไม่เสือ่อม ซึ่งเป็นไป ไ, ได้เพราะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเช่นราบยกสารเสริญเขาก็ต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเราตายไปเราก็เสื่อมจากราบยกสารเสริญสุดไปขณะที่เรามีชีวิตอยู่บางทีเขาก็เสื่อมจากเราไปเคยมีเงินมีทองมากมาย แต่วันดีคืนดีก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้คยมีตำแหน่งสูงๆก็อาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งก็ได้เหลือเมื่อถึงเวลากเกษียณอายุ60ปีก็ต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งไปนี่เป็นเรื่องของของความสุขทางโลกเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์มากกว่า เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่เกิดความโลภเกิดความอยากเมื่อไม่มีความโลภความอยากใจของเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบเหมือนกับในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแต่เป็นความสงบที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเราอยู่ที่ไหนเวลาใดใจของเราก็จะสงบอยู่ตลอดเวลา เพราะเรามีปัญญาคอยควบคุมความโลภความอยากไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถระงับดับได้ทันทีปัญญาจึงมีคุณค่ามากกว่าสมาธิเป็นเหมือนแบงค์ผงสมาธิเป็นเหมือนแบงค์ห้าร้ยลเป็นเหมือนแบงค์ร้อยส่วนธานนี้เป็นเหมือนแบงค์่สิบแบงห้า ต่อให้ทำทานมากมายขนาดไหนก็สู้รักษาศีลไม่ได้ต่อให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์มากขนาดไหนก็สู้นั่งสมาธิไม่ได้ต่อให้นั่งสมาธิได้นานมากน้อยเท่าไหร่ก็สู้การมีปัญญาไม่ได้เพราะปัญญานี้จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันหมดสิ้นไปจากใจเช่ในใจของพระพุทธเจ้า น่าใจของพระอาหารหันตสาโกทั้งหลายใจของท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลามีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาท่านจึงไม่ไปเกิดใหม่ไม่เหมือนใจของพวกเราที่มีความหิวอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วใจของเราก็ยังต้องไปเกิดใหม่เพราะยังไม่พอยังไม่อิ่มยังหิวกับลาบยศสละเสริญ กับรูปเสียงกลิ่นลด อ, อยู่พอมาเกิดปัด๊บเราก็มาหาลาบลดสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดทันทีไม่ต้องมีใครสอนเลยเรื่องการแสวงหาราบลดสรเสริญเริ่มหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันฝังอยู่ในใจของเรามาเป็นเวลาอันยาวนานเพราะใจของเราไม่เคยได้รับอาหารที่แท้จริงไม่ได้รับความสุขที่แท้จริง ที่ทําให้ใจของเร า, า ม, มีความอิ่มความพอถ้าเรายังแสวงหาความสุขทางลาบยุบสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้อยู่เราก็จะต้องไปเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดเกิดแล้วก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับความพลาดพลาดจากกรรมทุกกับปัญหาต่างๆเช่นการอดอยากขาดแคลน ทุกขก์ภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมแผ่นดินถล่มพายุและไฟไหม้เป็นตน้นนี่คือกองทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันตลอดเวลาเพราะเราไม่สามารถทำใจของเราให้อยู่นิ่งๆให้อิ่มให้พอไาเพราะเราไม่ปฏิบัติตามที่พร ะ, ะเจ้าทรงสั่สอนให้ปฏิบัติ หรือถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติได้เพียงเล็กน้อยเช่นในระดับทานส่วนใหญ่จะทำบุญให้ทานกันได้ถึง อ, อาหารนั้นก็ยังทำไม่พอเพราะยังทำไม่มากพอทำเฉพาะเวลาจาเป็นเช่นวันเกิดวันสาคัญทางาศาสนาวันขึ้นปีใหม่หรือวันพระยังไม่ทำทุกวันหรือไม่ทำให้หมดเลย คือจะเก็บไว้เพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นถ้ามีสมบัติมีเข้าของเงินทองที่มากเกินความจำเป็นก็จะไม่เก็บเอาไว้เลยเช่นนักบวชนี่เขาสละหมดแล้วทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองที่เกินความจำเป็นเขามีสมบัติอยู่เพียงแปดชิ้นด้วยกันเท่านั้นที่เรียกว่าอัฏฐบริขารเช่นจีวร ถ้าใจจีวรแล้วก็บาปไว้สําหรับหาอาหารไว้สําหรับนุ่หงห่มอาศัยเท่านั้นก็พอแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่อิ่มที่พอที่จะทําให้เราไม่ต้องไปแสวงหาอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องพยายามปฏิบัติ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นทำทานก็ทำให้ให้มากที่สุดรักษาศีลก็รักษาให้มากที่สุดสมาธิก็นั่งให้มากที่สุดนั่งจนสามารถนั่งได้ตลอดเวลาอยากจะนั่งสมาธิเวลาใดก็นั่งได้ไม่ต้องเป็นเหมือนกับลากสุนักเข้าหาเข้าไปอาบน้าเวลาจะ ให้อาบน้ำไม่สุนักแต่ละครั้งนี้มันจะไม่ยอมให้เราลากเข้าไปง่ายๆใจของเราก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธินี่รู้สึกยากลำบากเหลือเกินนั่งห้านาทีก็รู้สึกอึดอัดลำคาญใจนะัทนไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่เคยพบกับความสงบไม่รู้คุณค่าของความสงบใจของเราชอบออกข้างนอก ชอบแปหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายทางลาบยศสารเสริญพอนั่งอยู่เฉยๆทําใจให้สงบจึงรู้สึกอึดอัดทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามฝืนถ้าเรามีสติเราจะสามารถนั่งได้นานเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเคยดึงใจให้อยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องต่ตางๆ ให้ใจเราคิดหรือรู้อยู่กับเรื่องที่เรากาลังทาอยู่เรากาลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารเราตำลังอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราจะไปทำต่อไปเช่นจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะไปทำธุระที่นั่นที่นี่อย่าเพิ่งไปคิดถ้าจะคิดก็ให้หยุดทำงานก่อน หยุดให้นั่งเฉยๆดรือยืนเฉยๆแล้วคิดให้พอพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมารู้หรือมมาคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการสร้างสติเป็นการดดนึงใจให้อยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปลอยมาพอใจอยู่กับที่ได้แล้วเวลานั่งทำสมาธิจะไม่รู้สึกอึอดอัดลาคาญใจ จะรู้สึกจะสงบได้ง่ายเช่นหลานลนั่งแล้วให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็จะบริกรรมพุทโธไปไม่นานใจก็จะรวมลวงเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่จะทำให้ไม่อยากได้ความสุขต่างๆอื่นๆในโลกนี้อีกเลยอยากจะได้แต่ความสุขจากการนั่งสมาธินี้เท่านั้น และพอออกจากสมาธิก็อยากจะให้สุขต่อไปก็จะใช้ปัญญาจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆเห็นอะไร <c oughs> ก็จะคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไปสั่ง <c oughs> ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีก็ดีเขาจะไม่ดีเขาก็ไม่ดีเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่อยากได้เขามาเป็นของเราเป็นสมบัติของเรา เราอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขของเรานี้เราก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดมีความอิ่มมีความพอไปตลอดจนวันตายตายไปแล้วก็จะไม่ไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายกับภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะเราไม่เกิดเราไม่มีร่างกายเราไม่ต้องดูแลรักษาร่างกายเหมือนในขณะนี้ที่มีร่างกายต้องคอยดูรักษาแทบเป็นแทบตายแต่ในที่สุดก็รักษาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตายไปดังนั้นการกลับมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่มีความสุขทางใจแล้วจะไม่อยากจะกลับมาเกิดจะไม่กลับมาเกิด พราะมีความสุขพอแล้วมีความสุขมากกว่าการกับความสุขที่ได้จากการมาเกิดนี่คือการมาสร้างความสุขให้กับเราด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราพยายามทำกันไปให้มากทำเพิ่มขึ้นไปตามลาดับทำจากน้อยไปหามาก ถ้าทำไม่หยุดไม่หยอดแล้วสักวันหนึ่งเราจะได้ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของเราจะได้ความอิ่มความพอและจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิวิลลตนัตราและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวังนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญแล้วคล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันทั้